นี่ยังไม่บอกกันงั้นจะไปรู้ได้ไงเหมือนจะนัดหมายไปเจอกันจังหวัดไหนยังต้องบอกได้ไหมอำเภอตำบลที่ไหนยังต้องบอกเลยไม่ใช่นัดกันแบบส่งส่งไปนะมันก็ต้องบอกใช่หมออนี่เาจะเลียนนี่้านรายเฟรอันนี้ลูกชาใกลใกล้มาอามาตรงนี้เลยนี่นั่งตรงนี้นั่งสามข้ง น, นั่ง น, นั่ง น, นั่งใกล้กลเนี่นั่งหนึ่งรูอนลเอออ่าเออถ้ามันนั่งใกล้ใกล้ใกล้ใกล้โทรศัพท์ไว้ก่อนมีอะไรโชก็มรูดสคบีบขาด้เอาบีบขาหน้าวันนี้ฟันหนนาเขาหน้ปีเนุมหนาเขาดีอันนะจาผู้ดเป็นคอเป็นฟัน เรียกเรียกชั้นสองเลยอายุเท่าไหร่ต้องเรียกปอปานเลยครับแล้วอยู่ชั้นไหปอเป็นลูกอยู่นยงครับทั้งคู่เลยทั้งคู่ครับเดอนเเดอนนียวคอ๋อใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคนคนัวนี้เป็นพี่ครับออกก่อนแต่คนที่ออกก่อนก็จะให้น้องออกก่อนครับพี่จะให้น้องออกก่อนคนน้อกทีหลังคนนี้น้องครับพคนน้พี่ครับ แล้วที่ออกทีหลังแล้วแล้วชอบของเหมือนกันมอเหมชอบของเหมือนกันก็ไม่แน่นะเพราะว่าส่วนมากจะซื้ออะไรก็จะซื้อให้พร้อมกันนะซื้อเพื่อกันเพื่อไม่ให้เป็นการว่ารักใครมากกว่าใครซื้อเบ็ดตกปลาให้ตกปลาได้ไงได้เหตุแล้วว่าทําไมแล้วมาบอกว่าลูกตกปลาก็ซื้อให้ก็เจ้าตกปลาเลยด้ยคิดว่าคิดว่าเขาไปตกปลา ที่ทงนายดีกว่าเพ้าไปเพบเพื่อนเราติดแดเสพติดนะครับเพราะว่าถ้าน้าแล้วแล้วได้ได้ได้าได้ก็ออกมาได้ยานี่ยอยากให้ซีดยูเนี่นอยากให้ซดไม่เป็นไรครับเราเราล่าเพื่อว่าทางชีวิตไม่ได้ล่าเพื่อความบนะัถามนะไปไปแล้วได้ได้ปลาอะไรเวลาไปปลาชันปลาอะไรเนี่ปลาชันปลาชันตัวใหญ่รับ แล้วได้ได um> mm. ้เยอะไหมไลยครับเวลาไปหย่อนแบตตงนี้แล้วก็ตกนี่ก็เอาเอาตกแบตใช่ไหมหรือไปปักเขาไว้หรืออไปไปตกคอยจ้องนี้เลยมัปักปักทีก็ปักเลยปักทิ้งเอาไว้เป็นแบตสั้นๆคันสั้นๆ มีมากด claro. ิไซติระกีทันสามบสี่สาเลยเวลาไปปากมีมีความคิดยังไงมีความคิดอะไรชอบไม่ความคิดว่าขอให้ปลามากินแล้วมาติดเลาได้ปลาไปฆ่ากินคิด่านี้ป่ะโอเคหนูคิดอย่างนี้ป่ะครับแล้วใครเป็นคนไปปากแล้วปลามากินมากกว่ากันแข่งกันด้วยใช่ไหม มีการแข่งกันเยะ็แล้วปอเตะใครเป็นคนทาบาปขึ้นออใครไดเยอะนะ่มใครไเยอะเท่ากันเฮ้ยนเท่ากันได้ไงเท่ากันได้ไงแล้วหนูเป็นหนูเคยบาดเจ็บไหมเคยเคยมีเหล็กอะไรทิ่มแทงไม่เคยเลยเลยโดนเป็ดกอไหมเยเจ็บไหมเจ็บเออเจ็บ ถ้าสมมติว่าแค้นเอาเบ็ดมาแล้วก็ให้หนูเอาปากคาบแล้วใช้กระตุกนี่หนูจะเจ็บไหมเจ็บเจ็บเคิดว่าปลาจะเจ็บเจ็บครับไม่เจ็บมั้ยปลาคงไม่เจ็บนะปลาก็ไม่เจ็บนะแค่กระตกมันยิ่ง เ, เคยเห็นปากก็ฉีกเ ค, ครับหนูคิดว่าปากฉีกนี่จะเจ็บไ้ยเจ็บครับเจ็บเอ๊ะทำไมปลามันไม่บ่น เพราะอะไรไไพูดไม่ได้พูดไม่ได้ฉันพูดได้คุพูดบ้างไตอบมู่มันสิ่งะไรแต่นันมันพูดได้ <c oughs> ดเหรอเย็บตอบมันมีมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่นครพนมเอ่อยอมจิว๋วจะรู้ที่เคยอ่านค่ะในยุคนั้นน่ะอดีตเจ้าวาดวัดวัด <c oughs> วัดนครพนมนที่ ท่านกนี่ที่ว่าไอ้วัดพระธาตุธาตุพระนมมีอยู่วันหนึ่งท่านฝันท่านฝันว่า <c oughs> มีปลาช่อนสีทองสองตัวมาเข้าฝันมาเข้าฝันว่าไอ้เรื่องเนี้ยดังทั้งประเทศเลยเนะี่ยนานแล้วเรื่องนี้มาเข้าฝันบอกว่าช่วยด้วยฉันลงมาสร้างบา ร, รมีแต่ฉันเผลอสติไป เผลอสติไปไปกินเบ็ดเอ อ, เ อ, อไม่ใช่ไปเข้าในรอบแล้วก็บอกชื่อไอ้เจ้าเนี้ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันจะเอาเอาฉันเนี่ยไป<อ>ไปไปไ ป, ไปขายแล้วให้เขาค้างว่าไงเจ้ฉันลงมาสองสองสองสอ ง, สองตัวลงมาสร้างบา ร, รมีให้ไปช่วยหน่อยฝันเห็นชัดเลย และปลาช่อนสีทองด้วยพราตอนเช้าขึ้นมาท่านก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาท่านก็ไออะไรเกิดขึ้นกับเราทําไมฝันขนาดเนี้ยท่านก็ลําดับใช่ไหมท่านเป็นพระเทเรนี่ว่าฝันช่วงไหนจริงไม่จริงยังไงเนี่ยอ๋อฝันช่วงตีหนึ่งตีสองจริงเลยนะ <Okay. S 1> ท่านก็เลยตอนเช้ามาท่านก็ถือบาทไปที่บ้านยงวันเนี้ย้าไปถามถึงลูกชายถามว่าลูกชายอยู่ไหม บอกอยู่อยู่ที่ห้าง น, าน้าโนเนี่ยท่านก็นเลยบอกงั้นไปเอาปลาสองตัวปลาสองตัวเนี่ยที่สีทองไปช่อนสองตัวเนี่ยให้เอามาไอ้เจ้านี่ฉั น, นขอบินาบาทไอ้เจ้านั้นใส่กลำลังมังใส่ทกระแป้งก็จะจะไปขายเพื่อจะไปให้เขาค่าอยู่แล้วตัวใหญ่ใหเลยอี๋ตายแล้วหลวงพ่อขอทําไงได้ก็ต้องถือมา พอมาไปเสร็จพวกท่านก็โอ้โหท่านจุดทูปขอขมานะโอ้โหว่านั้นเลยไเสร็จท่านก็ประกาศให้ผู้ว่าในยุคนั้นแล้วก็ออกข่าวทั้งทั้งจังหวัดเลยบอกว่าเนี่ยเพราะพอดิศาสตร์ท่านมาบำเพ็ญบา ร, รมีเกิดเป็นพยาปลาช่อนงั้นเดี๋ยวเราเอาท่านไปปล่อยที่แม่น้ำโขงก็ใช้เรือเป็น1ิบบิบลเลยทาพิธีในยุคนั้นเนี่ยแล้วก็มีการ จเจริญกุศลกันขอขามาท่านที่ไปทําให้ท่านเดือดร้อนเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยขบวนเรือออกออกไปที่แม่น้ํากลางนั่นนะแล้วก็ทําพิธีแล้วก็ปล่อยท่านลงพอท่านลงไปฟืดลงไปเนี่ยนะแล้วท่านก็กระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาเลยเลยอะ่ะกระโดดขึ้นมาทั้งคู่เลยนะโดดพร้อมกันฟุบเลยน้ําก็ฟุบลงไปใหม่แล้วก็กระโดดขึ้นมาสูงกว่าเดิมเนี่ยสามครั้งแล้วก็จมหายไปเลย นี่ออกข่าวนี่ไงอที่จะเล่าให้ฟังตรงนี้ใครที่ไปทาปานาติบาตถ้าไม่เจอประเภทสัตว์มีบุญมาเกิดก็รอดตัวไปแต่ถ้าหากเกิดไปเจออย่างนี้ขึ้นม า, เ, าเล่าอีกทีว่าวิบัติขนาดไหนเนยะที่ที่สุพรรณบุรีเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อเมื่อประมาณสักปี ประมาณปีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดก็มีมีครอบครัวหนึ่งเขาจะบวชจะบวชพระพอจะบวชพระโอ้โหเชิญแขกมาเป็นร้อยเป็นพันเลยเนะี่ยเป็นคนมีมีทรัพย์มากทีนี้มันคำนวณผิดสิไปไปจัดงานบวชเนี่ยมันตรงกับวันวันพระคือคือวันนี้วันพระ พรุ่งนี้บวชเนี่ยเป็นวันเป็นวันเลยวันพระวันนี้มันก็หาหาเนื้อหาอะไรไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาไม่ฆ่าเนื้อฆ่ากันในยุคนั้นเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าสัตว์ใหญ่กันในวันพระเขาถือเขากลัวกันหาคนเลี้ยงก็ไม่ได้เจ้านี้ก็เลยมีวัวตัวแล้วมีลูกวัวตัวนี้วัวแม่ลูกอ่อนก็เลยเอาแล้วว่าปรึกษากันก็เล่นวัวแม่ลกอ่อนน่ะ ทนี้ไอวัวตัวนี้มันมีลูกด้วยนะมันมีลูกก็พากันไปจับออกมาลากมันออกมาไอลูกวัวเนี่ยมันมันมันมันกำลังมันรือเรื่องเลยมันก็วิ่งร้องร้องเวลาเขาจับแม่มันฆ่ามันก็ร้องวิ่งชนเขาเลยนะวิ่งชนไอคนไอคัตจะฆ่าเขาเขาฆ่าคือผูกฆ่ากันในบ้านเลยไงยังจิ๋ว่อไปมาหูพากันปั้มวัวตัวเนี้ยลูกวัวเนี่ยเอาไปมัดเขาไว้แล้วก็ฆ่ามันจนได้ โอ้โมันร้องมันก็ร้องร้องร้องจนเนี่ยมันดิ้นจนคอมันเนี่ยถลอกปอเปิดหมดเลยนะมันวิ่งมาหาแม่มันเนี่ยและที่สุดจริงๆฆ่าวัวได้แล้วก็มาทําเนื้อทำอะไรต่างคนมาไม่มีใครกล้ากินเลยมันวัวไอ้ลูกมันร้องอ่ะมันร้องมันจะเต้นจะตายมันดิ้นด้วยก็เลยต้องเอาไอ้ฉลองไปใส่ปากมันเพราะมันร้องอยู่ทั้งคืนเข้าใจไหมไปใส่มันก็ร้องโอ้กุ๊กกอยู่แต่ร้อง มันร้องอ่ะมันคิดถึงแม่มันไงไปไปมาก็มัดมันที่หมดแรงมันก็นอนลุกขึ้นมันก็ร้องอยู่นั่นแหละบางคนก็กินบางคนก็ไม่แน่เมาเล้าไอ้ขี้เหล้าก็กินกันทีนี้ถึงตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าจะต้องแหหน้าไปที่ที่วัดเอาละเสร็จเสร็แหหน้าไปที่วัดพอเขาแหออกไปได้สักพักนึงไอ้ลูกวัวมันดิ้นมันดิ้นจนเชือกขาด มันละมันก็วิ่งไปไอเจ้านาคนี่แหละไอเจ้าที่ใส่ชุดนาคไว้อะมันวิ่งเขาไปชนนะเขาก็ต้องพากันจับอุ้มมาแต่เขาเอาเอาไอ้นั้นออกจากปากไปแล้วโอ้โหทุลักทุเลกันมากเลยตอนนี้ยเอาไปทําไงดีก็ไปไว้ในคอกหมูไอคนี้ก็เลี้ยงหมูด้วยใช่ไหมไอ ห, หมูมันตัวไม่ใหญ่แต่มันก็เลยย้ายหมูไปอีคอกนึงเอาเอาวัวไปไว้ในคอกนี้นั่นก็ไว้แล้วก็พากันแห่ไปที่วัดพอไปถึงที่วัดเขาก็จะแห่วนสามรอบใช่ไหม วน ว, น, วนสามรอบต้้เข้าไปในโบทโอ้โหกำลังจะบวชอยู่นี่แหละหน้ากำลังขอขอบวชเนี่ยไอเยวัวลูกวัวน้นมาจากไหนพวดเข้าไปเลยในโบดเนี่ยทั้งพระทั้งอุบชาจะโดดกันคือขี้หมูไงมันไปคลุกขี้หมูคลุกขี้หมูด้วยโอ้โหปั้มกันทุลักทุเลมากกว่าจะเอาเอาลูกวัวนี้ออกได้ พอปล้ำออกมาได้ปุ๊บมันก็หลุดมือใช่ไหมพวกขี้หมูอ่ะแล้วก็ต้องปิดประตูโบสบวชกันอย่างธุระกุเลอะไรมันวิ่งกระทุงวิ่งวิ่งกระทุ้งข้างนอกเรื่องนี้ก็ผ่านไปทุกคนสลดใจทั้งพี่สองพี่น้องสลดใจเป็นประวัติาศาสตร์อยู่ทุกวันนี้ทีนี้ทีนี้พออยู่ต่อมาพอหลังจากนั้นผ่านไปได้สี่ห้าวันไฟไหม้บ้าน ไฟไม่บ้านนะแม่ตายแม่ที่คนบวชจะตายแล้วก็มีญาติด้วยพ่อเนี่ยเป็นบ้าเป็นบ้าแล้วก็เจ๊งละเนรละนาดเลยแตเนี่ยอไอคนที่บวชไม่กล้าศึกเจนกระทั่งทุกวันเนี่ยตายไปแล้วจำเอาแรงนะพ่อผมไม่กล้าศึกคือชี้เห็นว่า ถ้าไปาก็สันนิษฐานไปให้ฟังนะว่าถ้าไปเจอสัตว์ที่บุญ น, น้อยๆไม่เป็นไรนะถ้าใครเนะี่ยไปเจอสัตว์ประเภทมีบุญมากขึ้นมาเนี่ยไอเนี้ยจะเดือดร้อนเพราะเราไม่รู้เห็นไหมบริษัทเนี่ยเป็นปลานในในห้าร้อยชาติเป็นพญาปลาช่อนกม็มีเนี่ที่มาในเมืองเราเนี่ยในประเทศเราเนี่ยท่านบอกเองเลยนะท่านมาเข้าฝันพระเถระเลยว่าท่านมาสร้างบรารมีอันเนี้ย จะเตือนไว้ก็คือว่าถ้าเป็นปลาธรรมดาก็ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกระวังอย่าไปเจออย่างนี้เข้าซึ่งเราไม่เคยรู้เลยนะ<ร>ไม่เคยรู้เลยเ ร, รดดเราไม่เคยรู้ได้ว่าสัตร์ตัวไห น, น, นมี<ห>นมีมมบุญไม่รู้ไม่มีบุญ อ, าาอ น, นั้นถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเสี่ยง <c oughs> มันสวย <c oughs> <c oughs> นะอถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเสี่ยงพรับถ้าเราหาเพื่อประงทันชีวิต ก็นี่ไงที่ยกตัวอย่างนี่ไงก็จะก็ข่าเพื่อประทานยี่ถ้าไม่เจอสัตว์ที่บารมีไม่กี่นาก็ถึงบอกไงก็ถึงบอกไงว่าจริงๆนย่างเงี้ยพระโพธิสัตว์นี่นะจะไม่จะไม่ถ้าเป็นเป็นสัตว์ดิบช้าเนี่ยท่านจะไม่เล็กจะไม่เกิดเล็กกว่านกกระจอกนกกระจาบไหจะไม่สัตว์เป็นเล็กกว่าและจะไม่โตกว่าช้าง คนที่ที่พระบริษัทธาจะมาเกิดเป็นสัตว์เดชานบเ่เป็นบรารมีนี่นะี่ยจะไม่เล็กกว่านกกระจาบจะไม่โตกว่าช้างหลักการมีแค่นี้ถ้าไปเจอสัตว์ที่ใหญ่หรือเท่านกกระจาบเพราะเคยเป็นนกกระจาบก็เคยเอีกอย่างนึงก็ก็เสี่ยงกันแล้วแต่พระไม่แนะนําถ้าเป็นไปได้ก็อย่าทำถ้ารักชีวิตเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้ยการปฏิบาัติมีเหตุให้อายุสั้นอย่างเนี้ยอย่างครอบครัวเนี้ยวิบัติโอ้โหวิบัติกันหมดเลย และพระนี่ไม่กล้าสึกออกมาเลยไม่กล้าเลยเอาแล้วทําไมคนฆ่าลงฆ่าสัตว์นั่นฆ่าทำไมไม่เจอทํำไมไม่เจอยอมเชื่อไหมว่าอรมาเนรู้จักผู้บริหารระดับท้องที่มีลงฆ่าสัตว์ระดับประเทศนีโดยมากเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งต้องฉีดยาเข็มแล้วเป็นล้านล้าน แต่ดูข้างนอกจะไม่รู้ว่าป่วยแต่มานั่งเล่าให้ฟังป่ว ย, ยหมายถึงผู้บริหารเจ้าตัวเขาบางทีเขาไม่ได้กํากับลงกันนั่นนะแต่ไปดูผู้บริหารลองไปสืบดูนะเนียแล้วจะรู้ว่าบางคนเนี่ยไปสร้างทุกวันเนี่ยไปสร้างโบสถ์ที่ละสิบล้านยี่สบล้านแกกลัวบาทแกกลัวกรรมแก มาเล่าให้ฟังเนี่ยผมดูไม่ออกเลยนะเหมือนโยมยแต่เป็นมะเร็งระยะนู้นระยะนี้แท้เนี่ยก็ต้องอยู่ด้วยยากนันอยู่อยากคิดว่าบาปมันไม่ให้ผลมันให้มันให้จริงจรปานาทิบาตเบียดเบียนสัตว์รังแกสัตว์ก็เป็นเหตุให้อายุสัตว์มีโรคภยัยแค่เจ็งมากใช่ไหม ไม่รังแกสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ก็เป็นเหตุทําให้ไม่มีโครคภัยแค่เจ็บแล้วก็อยูยืนหลักการไม่มีอย่างนี้ถ้าเราเราพระไม่ได้สอนว่าทําหรือไม่ทํายอมเลือกกันเอ า, าพระเพียงจะบอกว่าถ้าทําแบบนี้จะได้ยังไงทําอย่างนี้จะได้อะไรมันเป็นอย่างนี้อัเรื่องนี้สุภาพมานพโตทยบุตรเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้ามีเรื่องอย่างนี้เออโตทยาเศรษฐีเนี่ยเป็นคนตหนี เป็นคนตนหนีใช่ไหมเป็นตระกูลเศรษฐีเกิดในกรุงสาวัตถีเนี่ยเห็นคนอื่นให้ทานกันนะแกเครียดแกมองว่าไอ้คนให้ทานคนรักษาศีลคือคนโง่ไอ้พวกนักบวชไอ้สมณะศีรษะโลไอ้พวกนี้ฉลาดเอาเปรียบสังคมไม่ทํามากินวันวันก็ตื่นขึ้นมาก็มาเดินเดินรับบาตไอ้พวกนี้ยังไม่ตําหนีอย่างเงี้ยแล้วแกก็เลยสอนสอนสอนบริวารสอนลูกน้องทั้งหมดเนี่ยแกรวยเนี่ยแกบอกว่า อย่าอ ย, อย่าให้การให้มันเป็นมันนเป็หลังความโง่เป็นความไม่ฉลาดแกสอนอย่างนี้นะแกสอนทฤษฎีของยาหยอดตายมยมจิ๋วจําไว้นะทฤษฎียายาหยอดตาหยอดวันละหยดมันยังหมดมีเงินอย่าใช้แม้ใช้น้อยมันก็หมดใช้มากมันก็หมดฉะนั้นจงประหยัดจงเขียยไม่มากที่สุดกินแต่น้อยเก็บให้เยอะ วังกันเออย่าไปให้นี่นี่ทฤษฎีที่สี่ที่องปวกทำลังปวกเนี่ยมันเก็บเวลานิดละนิดะนะมันเก็บก้อนมันเก็บไอตัวปวกไอตัวดินขึ้นมามันยังสามารถสร้างยอมปวกได้อย่างใหญ่โตมโหฬารได้เราก็ต้องมันเก็บอย่างนั้นแหละเขสอนสอ น, สอ น, สอนลูกหลานนี้นะหนึ่งทฤษฎียาหยอดตาสองทฤษฎีปวกทำลังแล้วก็ก็จะสอนแล้วตื่นเช้าขึ้นมาพระเยอะมากในเสาทิพเป็นหลักล้านในยุคพุทธกาลเนี่ย ในครั้งพุทธกาลเนี่ยในเมืองสาวัตถีมีประชากรเจดสิบล้านบรรลุธรรมห้าสิบล้านห้าแสนเป็นภารยาิยะเป็นชาวบ้านเนี่ยเป็นสังคมอริยชนแต่เหลือประมาณห้าแสนกว่าคนในในกลุ่มพวกนี้ในนั้นก็คือเศรษฐีแกนับถือพวกเดรรถีแกไม่ให้แกก็บอกดูคนโง่มันบ้ากันทั้งประเทศแล้วเนี่ยมันชอบให้ทานมันมันชอบสละชอบให้อย่าง กับคนที่ไม่ทำมาหากินก็ด่าด่าพุทธเจ้าด่าสาวกพุทธเจ้าด่าคนให้ทานทีนี้มีอยู่วันหนึ่งพุทธเจ้าเสด็จจงกรมพุทธเจ้าจะพอตอนใกล้ใกล้ลุ่เนี่ยพระุทธเจ้าจะเดินจงกรมใช่ไหมเดินจงกรมแล้วพระุทธเจ้าจะมีพยานอย่างรู้ว่าใครเน้ะจะมีเข้าเข้ามาในข่ายพยานจะเป็นลูกธรรวันนั้นน่ยลูกชาย ลูกชายของเจ้าเศรษฐีขี้เหนียวเนี่ยมีอัธยาศาัยจะบรรลุแล้วพระเจ้าวะจะไปยังไงจะไปที่บ้านเศรษฐีแต่ถ้าไปแล้วเนี่ยเจ้าเศรษฐีเนี่ยเออขออภัยตอนนั้นอนะ่ะเศรษฐีตายตายแล้วไอ้เศรษฐีคนนี้นะที่เป็นเศรษฐีเนี่ยตายด้วยจิตห่วงซั์จิตมันผูกกับซั์เอาซับไปฝังไว้เยอะด้วยความจะหนงตัวเองเนี่ยนะ ซ่อนไว้เยอะพอตายแล้วจิตผูกผพันปุ๊บเลยไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนั้นอยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วก็ลูกก็รักมากไอสุนัขตัวอื่นไม่รักรักแต่ตัวนี้แหละมันรักมากใช่ไหมพุทธเจ้าก็รู้ว่าถ้าไปที่บ้านเนี้เช้าเนี้ยไอเจ้าสุนัขตัวนี้จะมาเห่าเห่าคือจะมาด่าเพราตอนแต่ก่อนก็ด่าพุทธเจ้าใช่ไหมตายแล้วไปเป็ดเกิดเป็นสุนัขแต่ถ้าไปคราวเนี้ยมันจะมาเห่าด่าเหมือนกัน แต่ถ้าด่าแล้วพระเจ้าจะชี้จะชี้ไปไอ้เจ้าสุนัขนี้จะต่อไปมันจะหมดบุญนะหมดบุญเสร็จแล้วตายแล้วจะไปตกนรกต่อคือจากสุนัขแล้วจะไปเป็นไปเกิดเป็นสัตว์นรกต่อใช่ไหมพระเจ้าก็าไปเพราะต้องการอนุเคราะห์อีกคนลูกชายได้บรรลุท่านก็ไปยืนอยู่สุนัขมันเห็นมันหวงสมบัติมันเนี่ยมันกลัวคนในบ้านเนี่ยจะเอาเอาข้าวไปใส่พระเจ้าไว้ถวายพระเจ้ามันวิ่งมาแล้วก็เหา่า ห่าด่านั่นเองแต่มันมันพูดภาษามนุษย์ไม่ได้แล้วเป็นสุนัขแต่มันระลึกได้ใช่ไหมไ ม, มันก็ด่าใหญ่ด่าใหญ่พระเจ้าก็เลยบอกว่าโตทยะเศรษฐีตอนเธอเป็นมนุษย์เธอก็ด่าแต่ถาคตตอนนี้เป็นสุนัขยังมาด่าอีกหรือเนี่ยโอ้ตกใจมันอายไงไอสุนัขตัวนี้มันอายมากเพราะแต่ก่อนเป็นเศรษฐีใหญ่เป็นเจ้าของทรัทั้งหมด แต่ตอนนี้สถานภาพมันหมดตัวเองเป็นแค่สุนัขไม่มีใครรู้จักเขาแต่พระพุทธเจ้ารู้จักเขาเลยอายเพร อ, อายมาหางมันก็ตกพอหางตกมันก็วิง่งร้องไห้อ่ะโทมนัสวิ่งไปนอนซุกอยู่ที่ไอเ้เตาเตาเตาเผาไอ้เตาที่เขาข้าวหุงข้าวไปนอนหมดแรงงั้นน่ะงอยสุนัข ต, ตัวนี้ก็หงอยเลยใช่ไหมมันก็หงอย เพ่อนอีกคนมีแต่ให้คนคนกินีบอกเคยกินเนื้อสัตว์เป็นเพศโรงพยาบาลอนเทนเป็นพี่สาวของพ่อคือกันอายุแปดสิบปีเพื่นเป็นมะเร็งนะคนบกเคยแม่แต่คาสัทัศน์ที่พี่เพื่อนโศกพระวัฒนาเนี่ยเจ็ดผู้รักษาจะกินอะไรพระวัฒาขอมจเพื่อนเพิ่มาเป็นนั่นได้เพื่นกับพวนาเพื่นะพอบนาเพ่น นถูกกลยาณวัตรตเตั้งนงนนเพื่อนหัวขาสัดัชีวิตและคนจเกอาหารเพื่สะอาดว่าพกชีเรียนนังสือด้วยแต่คนเพื่อนสีสาวโคตรวันนี้บางคนทีตายเพื่อนก็เรยว่าคนเป็นนงสมาธิเพื่อนก็เป็นแพทย์ผ่าตัดวันนี้เพื่อนก็เรยว่ามันเป็นโรคไร้มาน้าอี่งอย่างทั้งข้างที่คนนี้เม่นแต่นุ่งตัวนุ่งคนก็บอเคยตุ้อว่าบัรธรรมาน่ะ เนสวนลูกสวนลานโมเนกาตาิปแล้วมันเป็นเพราะอะไรมันถึงมาเป็นลูกแบบนี้อ้าวอามาตอบตรงนี้ให้โยมคิดว่าอามาเนี่ยเกิดมาในชาติเนี้ยอามาเรื่องการฆ่ า, าสตัตว์นี่น้อยมากท่นพูดผ ม, มนี่เลย น, น้อยมาก <c oughs> ตั้งแต่เล็กมาแล้วเนี่ยไม่มีมีแต่ว่าเผลอแป๊บนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วามาก็มาบวชบวชมาตลอดพออายุอามาสามสิบกว่า ทำไมามาเป็นตไวตวายเลยตอัตมาทั้งหมดทำไมถึงผักทาไมาต้องป่วยมาตลอดทั้งชีวิต <c oughs> นี่ที่้เห็นนะว่าเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่คุยกันแค่อัตภาพเดียวเราเคยรู้ไหมว่าในอัตภาพที่ผ่านมาเราทำอะไรไว้มันไม่ใช่แค่อัตภาพเดียวนะนี่เรื่องกรรมนะมีอดีตก็มีปัจจุบันก็มีอนาคตก็มีฉะนั้น ถ้ากรณีให้สังเกตดูนะว่าอย่างโยมเนี่ยเขาไปเป็นตอน80 80นั่นแปลว่าหมดอายุไขไปแล้วเนี่ยมันมันหมดอายุไขไปแล้วในปัจจุบันในยุคปัจจุบันเนี่ยมนุษย์เราเนี่ย75ปีเปน็นอายุไขถ้าไขเกิน75เนี่ยแปลว่าเกินมันเป็นกําไรไปแล้วมันเกินไปแล้ว <c oughs> ฉะนั้นเรื่องเรื่องกรรมเนี่ยมันมาตั้งหลายอย่างใช่ไหมเรื่องโรคเนี่ย โรคที่มันเกิดจากกรรมก็ได้โรคที่มันเกิดจากการใช้อยาบดีไม่เหมาะสมก็ได้โรคที่มันเกิดจากดินฟ้าอากาศเป็นต้นนี้ก็ได้อุตุเนี่ยไม่ส p a r n ที่เราไปอยู่ในที่ไม่ส p a r i ก็ได้โรคมันเกิดจากอาหารก็ได้โรคมันเกิดจากจิตก็ได้คือเป็นคนเครียดเป็นคนกัดกุ่มเป็นคนอะไรต่างๆเยอะเนี่ยนะ เป็นคนที่ไม่ไม่ปล่อยวางทั้งหลายเลยนี้ก็เป็นปัจจัยทห้เกิดโรคภยัยแค้เจ็บเป็นต้นก็ได้และโรคมันเกิดจากดีนะมันเกิดจากดีเอ้ยมันเกิดจากไอตัวดินน้ําไฟลมในร่างกายเนี่ยมันวิปริตผิดเพี้ยนก็ได้นะและโรคนั้นมันเกิดจากกรรมในอดีตก็ได้มีทั้งหลายอย่างแต่ว่าเกิดโรคภยัยแค่เจ็บแล้วอย่าไปโทษแต่กรรมในอดีตอย่างเดียวนะมันมีทั้งหลายเหตุปัจจัยนี่เหมือนกัน ปัจจบที่พูให้ฟังก็คือปัจจุบันกรรมเนี่ยมันมีส่วนมากที่สุดที่มนุษย์เนี่ยไปทำกรรมที่ไม่ค่อยเหมาะสมก็เป็นเหตุทาให้ตนเองอายุสั้นงั้นตรงนี้เราต่อนิดนึงใกล้จะจบเมื่อกี้ยอมจิ๋วแทรกเพิ่งว่าเดี๋ยวลืมเดี๋ยวพาจะมาเตลิดเดี๋ยวเล่าไปจบตอนนี้หมากำลังปีนอนซบอยู่ที่ ต, ต น, น, นี่ีอหานตกทีนี้นี่นี่ลูกลูกชายกลับมา ลูกชายเป็นเศรษฐีเกิดต่อก็บริหารงานต่อจากพ่อคนใชก้ก็ลูกชายเนี่ยจะจะลากหมาตัวนี้มากผูกพันกับหมาตัวนี้มากแต่ไม่รู้ว่าีว่าเป็นเป็นพ่อไม่รู้พอมาถึงคนใช้ก็บอกว่านายพระพุทธเจ้ามาบิณบาตมายืนอยู่ตรงนี้แล้วสุนัขของนายไปเห่า พระเจ้าบอกว่าสุนัขตรงนี้เป็นพ่อของนายอู้หูโกรธมากเขาถือศาสนาพราหมณ์เขาถือรัฐิบูชายันพราหมณ์เนี่ยตายแล้วต้องเกิดเป็นพรหมเขาถือคติเขาอย่างนี้เหมือนคนนับถือพระเจ้าเนี่ยเขาบูชาอ้อนวอนพระเจ้าเขาต้องไปอยู่กับพระเจ้าใช่ไหมอันเดียวกันนี่แหละนี่เขาต้องไปอยู่กับพรหมนี่อันนี้พระเจ้าบอกว่าเขาเกิดเป็นสุนัขนี่โกรธมากเลยกระไปเนี่ยจะต้องไปโต้ เพราะท่าน เ, นเสุภาพมานอบเนี่ยเป็นนักนักวิชาการด้วยเรียนมาสูงก็เลยต้องการไปโต้กับพระเจ้าว่วาเอาเอาเอาเรื่องอะไรมาว่าพ่อเขาอย่างนี้เขาก็ไปเลยไปก็ไปตําหนิพระเจ้า ว, ว่าเนี่ยไปบอกพ่อเขาเป็นสุนักเขาเป็นพราหมณ์ตายแล้วต้องเกิดเป็นพรมเขาไม่มีที่อื่นพระเจ้าก็บอกว่าอยากพิสูจน์ไหม เอาเราสิตนี้บอกว่าอยากพิสูจน์งั้นให้กลับไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยที่หลังกลับไปคือให้เอาสุนัขตัวนี้ไปอาบน้ำไปพูดปอบโยนให้ดีๆแล้วก็ให้เขากินอาหารแล้วพาเขาเข้านอนพอเขาเคริ้มเนี่ยให้เรียกเขาให้เรียกว่าพ่อพ่อหมวกทองคําพ่อไปไว้ที่ไหนเสื้อทองคํำมาไว้ที่ไหนรองเท้าทองคําไปไว้ที่ไหน ไม้เท้าเป็นต้นทองคําเอาไปไว้ที่ไหนให้พูดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะบอกพรอสุนัขตัวนี้มันเคิมเคิมไอเจ้านี้ก็ทดลองพูดตามนั้นเน่ยสุนัขตัวนี้ก็ปุ๊บลูกขึ้นมาก็ไปคุยไปคุยไปคุยลูกก็ไปขุดขุดขุดได้สุนัขตัวนี้น้อยลูกรู้จากเราแล้ว ที่เราสอนลูกมาทั้งหมดเนี่ยมันผิดอายอายอายลูกอายพุทธเจ้าอายคนทั่วไปอายคนทั้งเมืองทั้งสาวกถีใครก็ารู้กันหมดว่าความตนหยีของเราเนี่ยเราเป็นได้แค่สุนนะัขตอมใจตอมใจตอนใจแล้วก็ตายก็ไปลงเอเวจีตอนนี้ยังเป็นสัตว์นลกอยู่ใน เ, เวจีสุดท่ามานมีตกใจ ตกใจมากลูกชายอะ่ะโอ้โหคนที่มีญาณปัญญารู้รู้กระแสชีวิตเกิดตายเกิดตายเนี่ยทุกกระแสชีวิตนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วท่านก็เลยผูกปัญหาขึ้นมาเลยผูกปัญหาเลยว่าทําไมคนบางคนอายุยืนทําไมคนบางคนอายุสั้นทําไมคนบางคนมีโรคภครใค่เจ็บมากบางคนมีโรคภัยใค่ใคเจ็บมาน้อยทําไมคนบางคนยากจนทําไมคนบางคนร่ํารวย คนบางคนทําไมเกิดมาสวยหน้าตาผิวพรรณงามบางคนทำไม่ผิวพรรณสามบางคนเกิดมาแล้วทําไมยศถาบรรดาศักดิมากทำไมยศถาบรรดาศักน้อยบางคนทําไมเกิดในตระกูลสูงในตระกูลต่ําบางคนทําไมเกิดมาฉลาดบางคนทําไมเกิดมาโมง่โผล่ปัญหาสิบสี่ข้อไปไปไปฝ้าพระเจ้าถามปัญหาเลยฮช่ไหมงเต็มเยอะไปถามเลยเพ่อโอ้โหระดับ คนที่รู้รู้กระแสชีวิตเนี่ยไม่ธรรมดามนุษย์แล้วที่สามารถรู้แทงตลอดขนาดเนี้หนูอยากรู้มั้ยคนมันต่างกันอย่างนี้เข้าใจย่งันนยนนยงนี่ประเด็นแรกคือนะว่าหนูต้องการอยากได้ประเด็นไหนก่อน ทำไมคนเกิดมาจนทำไมถึงเกิดเดินมารวยใช่ไหมอยากรู้ข้อ น, นี้ก่อนไหมอ่าอยากรู้หรือไม่อยากรู้อยากรู้ข้อนายก่อนอ้าวทำไมยศหนุ่ยยศบีทำไมเกิดมามีทรัพย์ใช่ไหมอ้าวแต่หลายหลายคนอันนี้ไม่อันนี้ยกให้เห็นเลยนะแต่ทําไมคนบงคนเกิดมาเนี่ยโอ้โห แค่ขนาดพอเกิดปุ๊บรบางคนเนี่ยโอ้ที่รองรับเป็นเงินเป็นทองนะี่รองรับเนี่ยบางคนเกิดมากระด้งเก่าๆอ่ะแล้วคลอดเองเออมันขนาดมันทําไมต่างกันอย่างนั้นแหละชีวิตมนุษย์มันทํำไมต่างกันอย่างเงี้ยใช่ไหมทําไมเกิดมาบางคนรวยทําไมถึงจนทําไมบางคนมีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์มันต่างกันตรงไหนอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ย กูจ่าก็บอกเลยสุภาพมานบบุดเลยบอกว่าคนบางคนที่เกิดมาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยเกิดมาก็อยู่ในกองเงินกองทองเลยเพราะอะไรเพราะเขาบ่มเชนทานกุศลมาเยอะเขาให้ทานมาเยอะมากเขาชอบให้เขาชอบสละเขาชอบแบ่งปันมาตลอดฉะนั้นแค่สตาร์ทจุดแรกเนี่ยเขาก็มาถือปฏิสธิใน ค, นคันของคนมีทรัพย์แล้ว ทุกคนต้องหาเก็บไว้ให้เขาต้องเหนื <wh <wh <wh <wh ่อยไว้ให้เขาอ้าวยกตัวอย่างเหมือนยอมจิ yep ๋วเนี่ยวิ่งงอ๊องอหาไว้ให้ลูกวิ่งงอ๊องอ๊องอ๊องหาไว้ให้หลานเห็นไหมเห็นไหมว่าเวลาคนเขามีบุญมาเกิดเนี่ยเขาไม่ต้องเหนื่อยคุณต้องเหนื่อยให้เขาแล้วต้องเฝ้าไว้ให้เขาต้องเก็บไว้ให้เขาเขาไม่เอาก็น้อยใจ เนขนาดนั้นเลยนะคนที่เ็ามีบุญเนี่ยทำให้เขาทั้งหมดยอมเหน็ดเหนื่อยวางั้นเถอะทำบ้านไว้ให้เขาทำนาให้เขาทำที่ให้เขาทำร้านค้าให้เขาทำไว้ทั้งหมดว่างั้นเถอะแล้วก็แทบจะไปยกให้เขาถ้าเขาไม่สนใจหน่อยเขาแก้ไม่ทำงานหน่อยไม่อะไรหน่อยแค่นั้นโอ้ยน้อยใจน้อยใจโอ้ยทำไมขนาดนี้ยวถูกครับตรงไหครับ เพราะอะไรเห็นไหมเนี่ยเพราะเขาทํามาเห็นไหมว่ามาขนาดเขามาเขาไม่อยากทําเลยอ่ะเขาไม่อยากสนใจด้วยทําไปสิจะมีทรัพย์สิบล้านยี่ิบล้านร้อยล้านพันล้านคุณทําไว้เขาเขาไม่สนแทบไม่อยากสนเลยเนี่ยว่าองั้นเถอะแต่เราต่างหากคิดแทนเขาหัวโป่งเป็นลูกโป่งเนี่ยหัวเป็นลูกโป่งผมว่แสดงว่าคนที่เกิดเป็นลูกยมจิ๋วนี่ทํามันมาเยอะ ต้องบอกว่าเจ้าของทรัพย์ตัวจริงะเจ้าของทรัพย์อ๋อเจ้าของทรัพย์ตัวจริงเรามีบางคนเนี่ยถามว่าบางคนเนี่ยหาทรัพย์มาเป็นได้แค่ปู่โสมเฝ้าทรัพย์เพราะอะไรไปบอกให้ฟังเพราะอะไรนะเมธถาพูดเรื่องเนี้ยรายละเอียดเป็นเยอะมากเพราะอะไรคนบางคนเนี่ยได้ทรัพย์มาแล้วไม่กล้ากินไม่กล้าใช้ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าแจกจ่ายไม่กล้าสละไม่กล้าให้ไม่กล้าแบ่งปัน นั่งเฝ้าจะใช้ก็ใช้เสื้อผ้าดีๆก็ไม่กล้าใช้เงินก็ไม่กล้าใช้รถดีๆก็ไม่กล้าใช้ใช้จักรายานบ้างมอไซค์เก่าๆบ้างเสื้อเก่าๆบ้างรองเท้าเก่าๆบ้างของดีๆเก็บมันเพราะอะไรโค้หงหลังเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ทำใหนหลังให้พระแหมไม่เอาต้องหันหน้าที่ <laughs> <laughs> อันนี้ นี่พระเจ้าบอกนะมันเป็นบุญนะที่เราจะได้รู้ใช่ไหมเป็นคำสอนเมอ 2,500 ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับเจ้าไหมว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยทําไมต้องเป็นอย่างนั้นเจ้านะไหมพระเจ้าบอกว่าบางคนเนี่ยให้ทานด้วยจิตเลื่อมใสก็มีให้ด้วยจิตไม่เลื่อมใสก็มีคือจิตผ่องใสบางคนเนี่ยให้ทานแบบ ด้วยความนอบน้อมก็มีด้วยความไม่นอบน้อมก็มีบางคนให้ทานแบบถูกการเวลาก็มีไม่ถูกการเวลาก็มีบางคนให้ทานแบบสละขาดก็มีบางคนไม่สละขาดก็มีบางคนให้ทานแบบกระทบตนกระทบผู้อื่นก็มีไม่กระทบตนไม่กระทบผู้อื่นก็มีเข้าใจคําว่าให้ทานใน จ, จิตเลื่อมใสไหมจิตมันเลื่อมใสจิตมันชื่นใจจิตมันผ่องใสบางคนเนี่ย แต่บางคนให้ทานนะจิตขุนมัวเศร้าหมองจิตไม่สะอาดหรอกมีใช่ไหมเคยเคยเป็นไหมเรื่มใส่ไม่เวลาให้ถ้าไม่จะทานก็คือเรื่มใส่ะละฉะนั้นคนบางคนเนี่ยเวลาให้ทานนะด้วยจิตผ่องใสด้วยจิตเรื่มใส่เนี่ยมันเหมือนเหมือนมีแก้วมณีมอยู่ในใจอะ่ะแสงสว่างมันเกิดมันนี้นะคนประเภทเนี้ยถ้าเกิดมาแล้วเวลาจะได้สิ่งของก็จะได้แต่ของดีๆ ได้แต่ของดีๆของที่เลิอดเลของที่ประเสริฐได้ลูกก็น้าตาดีได้สามีก็น้าตาดีอุ้มดีหมดได้แล้วมันดีหมดเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะได้ความเลื่อมใสนี่แหละได้จิตที่ผ่องใสในการสละในการให้เวลาได้วัตถุสิ่งของมาอุ้ยได้แต่ของดีๆแต่คนบางคนได้ของได้แต่ของเก่าๆได้แต่ของไม่ดีได้แต่ของไม่สะอาดได้เหมือนกันนะแต่ของที่ไม่ดีเพราะว่า ตอนให้ทานเนี่ยจิตมันเศร้าหมองจิตมันไม่สะอาดจิตมันขุ่นมัวแต่ก็ให้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยก็เลือกเอาเห็นไหมเนี่ยเราจะให้แบบไหนนี่ประการที่1ประการที่2บางคนให้ทานด้วยด้วยจิตนอบน้อมเคารพในทานเคารพในผู้รับให้ด้วยจิตอ่อนโยนจิตน้อมนอบน้อมแล้วก็พฤติกรรมก็อ่อนโยนนอบน้อมด้วยแต่บางคนให้ด้วยจิตแข็งกระด้างจิตไม่นอบน้อมให้สักแต่ว่าให้นั่นแหละว่างั้นแต่จิตก็ จิตก็แข็งจิตก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่อ่อนโยนพฤติกรรมก็แข็งกระด้างไม่อ่อนโยนต่างกันตรงไหนบางคนเกิดมามีบุตรมีบริวารมีญาติมิตรเขาเชื่อฟังหมดเลยไม่กระด้างกระเดือ่องแล้วบอกอยังไงเ้าก็เชื่อบังไม่เคยแยง้งไม่เคยย้อนเลยเคารพว่าเอ้ยอยากจะอะไรเป็นความเป็นความต้องการของเราก็ทำให้ตลอด ทำอย่างก็โอ้โหว่ากันเถอะอย่างก็เขาเป็นขี้ข่าเลยว่ากั้นเถอะนี่เห็นไหมพ่อเราให้ด้วยความอ่อนโยนค้ายด้วยความนอบน้อมแล้วก็มีบุตรบริอาวานญาติมีทั้งหลายแม้สามีแม้ภรรยาอะไรก็แล้วแต่เขาก็เชื่อฟังแล้วก็เคารพไม่กล้ากระด้างกระเดื่องไม่กล้าทําให้ขัดใจส่วนคนที่ให้ด้วยจิตแข็งกระด้างไม่นอบน้อมโอ้โหมีแต่คนกระด้างกระเดื่ม พูดคามันเถียงสองคบอกให้ทำอย่างนี้มันไม่ทาอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแต่พืชอแต่พือเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ประเภทที่สองนะประเภทที่สามคนบางคนให้ถูกการถูกบุคคลถูกเวลาเช่นหน้าหนาวให้ผ้าหม่มหน้าร้อนให้น้าเย็นอะไรก็ได้แต่นะหรือว่าคนเป็นป่วยเป็นโรคนี้เราให้ของที่ถูกคนจะเดินทางเราให้ของ มีผลไม้ใหม่ให้เขาอะไรก็แต่มีเสื้อผ้าใหม่ๆ ม, มีสิ่งของใหม่ๆ ใ, ให้ถูกการถูกเวลาบางคนเนี่ยให้อะไรผิดการผิดเวลาหมดเช่นคนที่ควรเขาเนี่ยผู้ใหญ่ก็ควรจะได้อาหารอีกอย่างหนึ่งก็ไปให้อาหารเขาอีกอย่างหนึ่งพระเนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนจะถวายอาหารพระน่าจะเอาพระเป็นปะมาณใช่ไหมแต่กลับไปเอาคนที่ตายไปแล้วเป็นบำานเคยเห็นไห เช่นพ่อชอบกินหน่อไม้โอเม่นแตทานตามพ่อแม่มากเห็นไหมพอพอพระมาก็เอาหน่อไม้ไปถวายพระไอ้พระแพ่หน่อไม้ก็เรนี่แบบนี้เขาเรียกว่ามันผิดการมันเป็นอาการละทานมันให้ผิดบุคคลเราไปให้ทานแล้วไปปาลบพ่อแม่ผิดใช่ไหม ถ้าพอ่อพ่อกินเหล้าแล้วยอมจะทำไงทานเหล้าไม่ไม่ใช่เอาเหล้าให้พระนะไม่เอาให้เอาอาหารที่พ่อมา <with> อย่างเห็นไห ม, าารม ก, หหมกรณีอย่างนี้เขาไม่ทํากันอย่างนั้ น, น, นคนฉลาดคนฉลาดเขาดูการรัทานเขาดูของที่เหมาะสมกัผู้รับเช<สม alrededor>่นพระท่านนี้สมควรจะ ก, กินอาหารประเภทอะไรคนคนนี้ควรจะกินอาหารอะไรเขาให้ให้ถูกนี่เขาเรียกคนบางคนจึงเกิดมา คิดอะไรหวังอะไรก็สมปรารถนาบางคนเนี่ยคิดแทบตายก็ไม่สมปรารถนาอยากจะได้น้ําร้อนก็ได้แต่น้ําเย็นอยากจะได้น้ําเย็นก็ได้แต่น้ําร้อนเปิดตู้อยากจะได้ขนมเปิดที่ไรไมันหมดทุกทีเลยในตู้หาเนี่ยไม่จะผิดหวังตลอดอยากจะกินอะไรต่างๆไปที่ไหนก็ไม่ค่อยได้กินโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันผิดการผิดเวลาเพราะว่าเราให้ผิดการอประการที่สี่ คนบางคนให้แล้วไม่สละขาดคำว่าให้ไม่สละขาดเช่นเราให้ของใครแล้วเนี่ยห่วงให้แล้วห่วงเข้าใจไห ม, ไมเช่นเราเอานี้ไปให้เขาเป็นสิทธิของเขาแล้วพอเขาไม่กินแล้วโกรธเคยเป็นไหมล่ะให้แล้วห่วงอะให้แบบไม่สละขาดเช่นว่าให้เสื้อผ้าเขาเขาไม่ใช้ก็โกรธให้ ให้บ้านเขา <S <S <S เขาไม่เขาไม่อยู่ก็โกรธเนี่ยให้ของอะไรต่างๆให้นาให้ที่เขาเขาไม่ไปทําก็โกรธไอ้การนี้ก็ให้แล้วห่วงทงั้งๆที่เราสละให้เขาไปแล้วมันไม่ไมัน ไ, ไ, ไ, ไม่เหมือนเด็ดดวงใจยื่นให้แต่คนบางคนเวลาให้อะไรใครก็สละขาดจริงๆให้จริงๆไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาตอบแทนเราหรือยังไงเลยเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะกับเขาก็ให้เนี่ยมันสละขาด ให้มันต่างกันอย่างไงนะดังั้นคนบางคนเนี่ยเกิดมามีทรัพย์สมบัติเยอะมากแต่ไม่กล้ากินไม่กล้าใช้ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าให้เป็นได้แค่ปู่โสงเป่าทรัพย์เฝ้าอยู่นะั่นแหละหวงอยู่นั่นแหละเพราะอะไรมันมาจากการให้แล้วไม่สละลาดขาด น, นี่ตรงนี้ทํากนะันนะงั้นถ้าจะให้อะไรใครต้องเหมือนเด็ดดวงใจยื่นนะแล้วเรา ได้ของมาได้เงินมาได้ทรัพย์มามันจะมาจับจ่ายใช้สอยโดยชนิดที่ไม่หวงแล้วก็รู้จักที่จะจับจ่ายใช้สอยแล้วกล้าลงทุนกล้าทำกิจการตั้งๆอ่ะสุดท้ายให้แบบกระทบตนและบุคคลอื่นให้และดูหมิ่นคนอื่นว่า เ, เขาสู้เราไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้ไอคนนั้นให้ไม่เป็นสู้เราไม่ไปดูหมิ่นคนอื่นบ้างกระทบตนเองบ้าง นิดว่าเราด้อยกว่าเขาเราดีกว่าเขาเราเด่นกว่าเขาเราสูงกว่าเขาเนี่ยเป็นการเพียรเปรียบเทียบตอนอย่างเงี้ยเวลาได้ของมาได้บ้านมาได้รถมาได้ทรัพย์มาได้ที่นาที่ดินทั้งหลายก็จะถูกกระทบถูกกระทบยังไงโจรพ้นบางน้ําท่วมบางได้รถมาก็ถูกเขี่ยวถูกชนมีลูกมีหลานมาก็ถูกรังแกถูกอะไรเยอะแยะหมดแหละเพราะอะไร เพราะจิตเรามีแง่งงอนกระทบกระทั่งเาหนูจำได้ไหมคนบางคนให้แบบไม่กระทบตนและบุคคลอื่นได้ของมาก็ปลอดภัยบ้านคนอื่นโจนขโมยขึ้นในบ้านเราไม่ขึ้นบ้านคนอื่นถูกลักถูกขโมยของเราไม่ถูกลักถูกขโมยรดคนอื่นไปจอดไว้แป๊บเดียวโดนเขี่ยโดนชนของเราปลอดภัยตลอดอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้น นี่คือการให้ทานนะยมนะสรุปแล้วคือว่าโทษของการไม่ให้แล้วก็เดือดร้อนทรัพย์ตลอดชีวิตถ้าเราให้มามั้บางคนบางคนกินบุญเก่านะเหมือนเหมือนพ่อของนางวิสาขาไอพ่อสามีอะนางวิสาขาบอกกินกินของเก่าโอ้โหพ่อโกรธมากจนเกือบเป็นเรื่องไปเล่ากันเนี่ยคนบางคนเกิดมาเนี่ยด้วยบุญในอดีต ด, ดี แต่ปัจจุบันไม่ขวนขวายไม่ขวนขวายเต็มที่ก็กินของเก่าไปวันวันวั น, วนกินของเก่ากินบนเก่าพวกเะเนี่ยนหนูะ่ะหนูกินบนเก่าไหมชอบให้ทานไหมเนี่ยชอบไม่ชอบไม่ชอบเลยนะเนี่ยต้องเอาไปฝึกใหม่หมดนะเนี่ยไม่มีเกี่ย ว, ว, เ, ยวเรื่องทานมันไม่ใช่เรื่องการให้ทานมันไม่ใช่แค่ มันไม่ใช่แค่ให้วัตถุสิ่งของอย่างเดียวนะทานมีตัางหลายระดับใช่ไหมการให้ทานเนี่ยบางทีแค่เรานั่งอยู่เนี่ยเห็นคนแก่เดินมาลุกที่นั่งให้เป็นทานไปแล้วใช่ไหมล่ะไอความเป็นผู้มีน้ําใจหรืออยกตัวอย่างเช่นให้ความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยเห็นปลาก็ไม่ไปฆ่าเขาอเนี่ย <c oughs> เป็นอภัยทานนะ <c oughs> นั่นแหละก็เรียกอภัยทาน คำว่าอภัยทานก็แปลว่าให้ความปลอดภัยแก่เขาให้ความปลอดภัยแก่สัตว์ให้ความปลอดภัยแก่แมวให้ความปลอดภัยแก่ปลาให้ความปลอดภัยแก่มนุษย์ทั้งหลายไม่คิดเบียดเบียนไม่ประทุษร้ายเขาเป็นทานหมดเนี่ยก็เรียกอพยทานเขาใจยังแค่แค่แค่หนูไม่ใช่เลยเนี่ยก็เหมือนเงี่ยเหมือนกรณีที่หนูเห็นปลาโอ้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่แล้วต่อไปเราจะให้ความปลอดภัยในชีวิตเขา เราจะไม่ฆ่าสัตว์อีกแล้วนะตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปสัตว์ทั้งหลายก็ยปลอดภัยอย่างเงี้ยพอเงี้ยถ้าคิดอย่างนี้เป็นไหมทั้งทั้งที่ก็ไม่ได้อดใช่หไหมละ่ะไปหาของที่มันตายแล้วมีเยอะแยะหมดในตลาดเนะี่ยไม่เห็นจําเป็นต้องไปฆ่าหรือวันเนี้ยแล้วก็ไม่ได้รวยอะไรขึ้นมาจากการไปตกปลาด้วยซ้าไปใช่ไหมละ่ะจริงไม่จริงแต่เรากลับไปชอบแล้วก็ไปชื่นชมกีฬาประเภทเนี้ เป็นกีฬาเบียดเบียนเขาเราก็ไม่ให้พวกไม่ให้ความปลอดภัยก็อย่างนี้เป็นต้นมองเห็นนี่ยังเราทําไปเรื่อยๆก็ได้แต่ต่อไปเวลาเราเจ็บป่วยหรืออายุสั้นก็ต้องยอมรับมันแค่นั้นเองไม่เป็นไรก็อย่าไปกังวลมันอายุสั้นก็ไม่เห็นเป็นไรนี่โรคภัยแค่เจ็บมากก็ไม่เห็นเป็นไรก็รักษากันไปใช่ไหมก็ไม่เห็นเป็นไรอยู่แล้วจนก็ไม่เป็นไรก็ทํามาากินกันไปก็อย่างนั้นก็ต้องดิ้นรนอยู่แล้วจริงไหมกลัวไหมจริงจริะ ถ้าเรามีโรคภัยแค่เจ็บ ม, มากจะกลัวไหมอายุสั้นจะกลัวไหมไม่ต้องกลัวว่าก็เราทำเนี่ยเอาปลาเนี่ยจริงๆเขาควรอยู่กี่วันเขาควรจะมีชีวิตอยู่2เดือนแต่เราไปเขาเกิดมาได้แค่15วันเราไปตัดรอนชีวิตเขาเกิดมาได้เดือนนึงเราไปตัดรอนชีวิตเขาเราก็เหมือนกันเราควรจะอยู่75ปีใช่ไหมพอได้แค่3าปีแล้วก็สมควรไปเหมือนกัน เพราะเราไปตัดรอนชีวิตเขามันก็มันก็อันเดียวกันนี่แหละเรื่องเหตุเรื่องผลนะเรื่องแบบเนี้ใช่ไหมถ้าเราอยากอายุยืนก็อย่าไปเบียดเบียนสัตว์หลักการง่ายๆอย่าเบียดเบียนอย่ารังแกอยากไม่อยากมีโรคภัยไข้เจ็บมากก็อย่าเบียดเบียนสัตว์อยากมีโรคภัยไข้เจ็บมากก็เบียดเบียนสัตว์เยอะๆอยากอยากถ้าอยากอยากอยากอายุยืนก็อย่าฆ่าอย่าฆ่าสัตว์ ถ้าอยากอายุสั้นก็ฆ่าสัตว์เยอะๆก็หลักการมีแค่นี้เองก็มีแค่นี้ใช่ไหมล่ะอยากให้จนก็ได้น ะ, อ, ะอยากจะอยากมีทรัพย์แล้วอยากให้วิบัติจะบอกไหมวิธีการทํายังไงมีทรัพย์ให้วิบัติเยอะๆอยากรู้ไหมวิธีการทํายังไงอยากรู้ใช่หมหนึ่งก็คือหนึ่งก็คือรักทรัพย์ เจอของใครรักตะเพือพ่อตะือและแล้อีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากไม่รักนคืคิดคิดเอาเช่นคิด<ม>คดอยห้ซับตรงนั้นจงมาเป็นของเราคอยที่ของเข า, าเป็นของเรา<ม>คืออยากได้เยอะๆแล้วก็น้อมมาเป็นของเราทําอย่างนี้มากๆแล้วจะจนเน<ม>ี่ยต่อไปเยอะซั์มีก็จะค่อยๆหมดหมดหม ด, หมดไปทําเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อให้ทําเลยนะทําทุกวัน ให้ทําทเลยนะไม่ใช่อบอกวิธีทําให้จนไงเนี่ยจนไม่เอาเนี่ยวิธีจะทําให้จน <c oughs> ไม่ต้องไปทําก็ได้ใช้ใจอ่ะใช้ใจนึกอย่างเดียว <c oughs> ก็เรียกว่าโลภแล้วก็ น, น้อมเอาของมาเป็นของตนเองน้อมเลยขอให้เป็นของเราอยากได้แล้วกเกิดอะไรก็ได้รดทั้งยังเป็นของเราบ้านก็นั้นจงเป็นของเราบุตรน้อมมาเป็นของเราเห็นแล้วก็คิด น้อมมาเป็นฝันหวานให้มาเป็นของเราเยอะเยอะแล้วต่อไปเรามีทรัพย์เดี๋ยวก็หลุดมือเดี๋ยวก็หลุดมือเดี๋ยวก็หมดเดี<ๆ>๋ยวก็หมดทำไปเรื่อยนะวิธีการนี้คือวิธีการทําให้จนถ้าจะทําให้รวยทํำยังไงหนึ่งนอกจากจะให้สละแล้วไม่พอนะไม่รักไม่พอนะใจและน้อมว่าขอให้เขาสมหวังขอให้เขามีความสุขขอให้เขามีทรัพย์เยอะๆน้อมใจปราถนาให้คนอื่นมีทรัพย์เยอะเยอ ให้เขาประสบความสาเร็จในชีวิตน้อมเห็นไปก็น้อมจิตคิดอย่างนี้เรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆเดี๋ยวเราจะทำอะไรก็จะรุ่งเรืองคนประเภทนี้หลักการมีแค่นี้เห็นไหมห อ, อยากมีทรัพย์เยอะหรืออยากมีทรัพย์น้อ ย, ย <c oughs> ก็เลือกเอาเลือกวิธีการเอานี้บอกเลยนะรายละเอียด ให้อยู่พอกินไม่อยากรวยมากให้ร่างกายเอาสุขภาพอยากอยากอยากอยากจะเดินอยากจะเดินไม่ได้ไหมล่ะจะบอกวิธีจบอกวิธีบอกวิธีก็บอกเอาอมีวิธีง่ายนิดเดียวอยากจะอยากจะพิการจะเล็กจะน้อยไม่อยากไหยบอกวิธีจะบอกวิธี เนียวิธีที่ไม่ต้องบอกแล้ววิธีที่หนูทําทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วบางคนมีผิวพันธงามกับผิวพันธ์สาอ๋อเน่ยลืมไปตรงเนี้ย อ, อยากจะมีผิวพันธ์งามไหมอยากอยากอ <laughs> ยังพอทันนะไม <laughs> ่ใช่จริงๆทําในปัจจุบันก็ได้คนที่ผิวพันธ์งามกับคนที่ผิวพันธ์ไม่งามเอ่อ คนบางคนเกิดมาเนี่ย เ, เป็นคนที่มีกำลังของขี้กโกรธแล้วก็คิดลิษยาคนอลิษยาลิษยากโกรธคนอื่นแล้วก็ลิษยาคนอื่นไอ้ความโกรธเนี่ยเห็นใครก็โกรธแล้วก็คิดประทุษร้ายเขาอยู่ไอ้จิตที่คิดประทุษร้ายขอให้เขาจงผิวพรุ์ไม่ดีขอให้เขา จงประสบความล้มเหลวในชีวิตอะไรก็แล้ว แ, แต่ไอการคิดลักษณะการโกรธเขาคิดพยาบาทเขาอาฆาตเขาจะเป็นเหตุทําให้ผิวพันสามถ้าไม่เชื่อนะให้ฝึกทําเลยนะอย่างหนูเนี่ยฝึกอย่างเงี้ยประมาณสเดือนผิวจะเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนคิดทุกวันทุกวันทุกวันคิดโกรธคิดโกรธคิดโกรธนะ คิดกโกรธคิดประท้วงสลายคนอื่นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆคิดงี้นะแล้วหนัเข้ามันจะออกมาที่ผิวหน้าแล้วผิวจะไม่ละเอียดเพราะรูปอย่างงี้มันจะหยาบผิวมันจะหยาบเพราะความกโกรธมันจะเผามันเข้าม า, ามผา่าแต่มันเผาแล้วผิวจะค่อยๆห ย, ยาบหยาบอยอมหน่อยลองถ้าลองได้เล ย, เลย <laughs> ผิวจะหยาบถึงแม้ออกโทนขาวก็หยาบบางทีมองดูผิวขาวนะแต่พอไปไปมือรูปดูหยาบเมล็ด ในเม็ดผิวเนี่ยมันจะมันจะเป็นตุมตมตมต่มๆๆขึ้นมาแล้วก็จะหยาบจะไม่ละเอียดแต่บางคนดำจริงแต่ผิวก็ละเอียดแต่ถ้าต้องการให้ผิวละเอียดวิธีคิดก็คือทำกิจให้เกิดมเมตตาแล้วก็นึกคิดว่าขอให้เขาอายุยืนขอให้เขาผิวพรรณงามขอให้เขามีความสุขขอให้เขาประสบความสาเร็จในชีวิตเจอใครก็คิดอย่างนี้บ่อยๆนึกถึงไทยก็คิดอย่างนี้ คิดบ่อยๆเดี๋ยวผิวมันจะมารักษาผิวกรรมตัวเนี้กุศลตัวเนี้ยนะข้าวนะข้าจะทําให้ผิวพันธ์งาและจะเป็นคนผิวละเอียดสีหน้าไม่เข้มเขย่าเห็นไหมยอมเกี่ยวเริ่มเลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต้องลองทดลองหน่อยว่าไม่เชื่อก่อนจะต้องทําให้ผิวพันธ์ซ้ำดูลองทําเลยนะขนวยนี่ก็เป็นคนบหวอิจฉาคนมาจากเกิดโบิดไล่กั บ, บ, กบไพ ไม่โกรธใครบอ่ดใครเครียดนิดหน่อยเครียดก็บเครียดเครียดแต่เรียกของไปเครียดให้ถูกใ้านให้พี่ให้นองหมดเครียดให้ใครให้ตัวเองเครียดนงเเจ้าของยางซานี่แหละสูนเจ้าของแค่นั้นอย่างอื่นบูดบกไปดูถูกยดยามให้อยู่แต่เฉพาะเจ้าของแล้วก็ไม่ขึ้นบ้านนั้นบ้านนี้ก็อยู่แต่สวนเจ้าของก็ไปกเทพวมันก็ไปซื้อของอต้องการจะถามว่าอย่างนี้ ผิวพรรณงามไหมเออกั อ, าอยากได้งามแล้วอ้ อ, อยากได้งามก็ต้องไม่โกรธตัวเองด้วย<อ>ต่อไปต้องไม่โกรธตัวเองด้วย้โกรธอะไรทั้งนั้นตระกูลละคนบางคนเกิดในตระกูลสูงกับตะเกิดบางนคนบางคนเกิดในตระกูลต่ำอาจารย์อ๋ออะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยอ่ะเมื่อกี้พูดเรื่องลิศสยากับพูดการพลอยคืออย่างนี้คนบางคนเนี่ย เกิดในตระกูลสูงที่มาเกิดในตระกูลสูงกันหลายๆคนยังยอมบีก็ต้องถือเกิดตระกูลสูงยอมหนุ่ยก็เกิดในตระกูลที่สูงใช่ไหมท่านเทียบกันกับตระกูลยาจกวันนี้พกหรือขอทานเลยก็ว่าไปบางคนเกิดในตระกูลชาวไร่ชาวนาต่างๆก็มันก็วัดกันไปตามตามกรรมที่ทําคนบางคนเนี่ยในอดีตเนี่ยเขาเป็นคนโมทนากับคนอื่นยินดีกับคนอื่นเช่นเห็นเขาประสบความสําเร็จในชีวิตก็สาธุ ก, กับเขา เห็นเขาเห็นเขาสวยก็ดีใจกับเขาเห็นเขาได้รับความสุขก็ดีใจกับเขาชื่นใจกับเขาเห็นเขาได้ได้รับรางวัลได้รับอะไรดีๆก็พอยินดีชื่นชมกับเขาแม้คนนั้นเราจะไม่ชอบเราจะเกลียดที่หน้าแม้เขาประสบความสาเร็จก็พอยินดีกับเขาไม่ลิศเเขาลักษณะเี้ยไปเกิดหน้าที่ใดจะเกิดในตระกูลสูงถ้าอยากเกิดในตระกูลต่าง่ายเลย ฤติยาเขาเยอะๆยะเนี่ยเยาเขาก็คือว่าเห็นเขาได้ดีขึ้นมาให้เครียดทันทีเลยให้โกรธให้น้อยใจนี่เป็นไปได้ยังไงไอ้นี้ไม่น่าจะได้ดีเลยไอ้นี้มันน่าจะวิบัติเห็นเขาได้ดีเท่าไรนะให้ด่าในใจให้ตําหนิในใจตลอดเลยนะทําแบบนี้น่ะเขาจะเกิดในตระกูลต่ําบางทีต่ําถึงขนาด ตระกูลขอทานไม่พอต่ำไปกว่านั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเลยต่ำขนาดนั้นเลยไปที่ไหนก็มีแต่คนดูถูกไอ้โง่าบ้างไอ้ยากจนบ้างเกิดมีคนดูถูกเต็มไปหมดเลยเห็นไหมอยากจะเกิดในตระกูลหนูอยากจะเกิดในตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำทุกวันนี้ตระกูลสูงหรือต่ำเรืยก ป, ปันกลางปันกลางใช่ไหมอยากจะสูงกว่านี้ไหมฝึกพอ ย, ยินดีกับคนอื่นถ้าเห็นเพื่อนสอบได้ ที่แข่งกันเนี่ยพอเขาสอบได้ก็ยินดีกับเขาแท่งกีฬาโอ้โหเราก็สู้กับเขาเต็มที่แต่เราสู้เขาไม่ได้ก็ยินดีกับเขาแต่เขาชนะเข้าใจ ย, ยังเนี่ยไอ้พลยินดีกับเขาไม่ริษยาเขาเนี่ยจะเป็นเหตุทำให้หนูเกิดในตระกูลสูงเข้าใจ ย, ยังไม่น้อยเนื้อต่ําใจบางคนที่เห็นคนอื่นเขาได้ดีกว่าแค่นั้นเครียดกลิ่นกลับมาหงอยเคยเป็นไหมละ่ะกลับมาโหเป็นไปได้ยังไง ไม่น่าเลยทำไมเขาถึงได้ดีทําไมถึงเราทําไมถึงเราแ yeah ย่ทําไมถึงเราแ yeah ย่ลักษณะนี้คือลิศสยามเขายอมเกี่ยวเข้าใจยังใใอ่าที่ข้อไหนก็นตรนี้แล้วสําหรับคนบางคนที่เกิดมามีปัญญามากกับคนที่เกิดมามีปัญญาน้อยแล้วโอ้โหขอนี้คอนี้สากันอ่าที่นั่งอยู่นี้ใครมีปัญญามากหนูมีปัญญามากไหมใช่ครับ แล้วเหนอมีมากไหมน้อยเฮ้ยน้อยเลยเอาอะไรสิทีนี้ร right. like. ู so ้ไหมเหตุแห่งปัญญาน้อยกับเหตุแห่งปัญญามากเหตุปัญญาน้อยก็ว่าคนบางคนเกิดมาเนี่ยเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบสอบถามไม่ชอบเรียนรู้เจออะไรก็ไม่ค่อยชอบถามใครตัวเองก็ไปเรียนก็ไปนั่งเฉย จะให้เข้าไปหาคใครมีความรู้ใครฉลาดใครเก่งใครใครมีทักษะข้อมูลความรู้ไม่ไปไม่สดถือแต่ความเห็นตัวเองยึดมั่นแต่ความเห็นตัวเองนคนประเภทนี้ทาไปเรื่อยๆแล้วจะกลายเป็นคนปัญญาน้อยเกิดในอัตภาพไหนก็เป็นคนไม่ฉลาดเพราะเป็นคนไม่ชอบสอบถามไม่ชอบไปฟังทาไม่ชอบไปเข้าหาคนคนนี้ท่านมีความรู้มีความสามารถยังไงไม่เข้าไปสอบถามนะ เขาเป็นเด็กเกินไปบ้างเป็นผู้ใหญ่บ้างเป็นคนนั้นบ้างก็ไ <rer> ม <Wel Glenn sound> ่ยอมสอบถามเขาทำนะแบบนี้เรลยๆจะกลายเป็นคนปัญญาโนนแต่ถ้าอยากปัญญามากเข้าหาจะเป็นใครถ้ารู้ว่าคนคนนั้นมีความรู้เข้าหาเลยเข้าไปเรียนรู้เข้าไปสอบถามเข้าไปถามว่าอะไรเป็นกุศลเป็นยังไงอกุศลเป็นยังไงอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรควรทำหรือไม่ควรทํา ทำอย่างนี้แล้วจะเป็นยังไงทำงี้เราจะเป็นยังไงมันเข้าไปสอบถามไปเรียนรู้ทำไมคนนึกยากจนทำไมคนนึงร่ำรวยเนี่ยไปสอบถามรายละเอียดทั้งหลายแล้วก็มาฝึกตัวเองนี่จริงจะเป็นคนที่มีบั ญ, ญญามะเข า, ายัางยังหนูเป็นคนชอบถามไหมชอบนครับถ้ารู้ว่าใครมีความรู้นี่ไปหาไปสอบถามเป็นอย่างนั้นจริงไหมเวลาหนูดูละครดูดูในทีวีก็ดีดูใน อินเทอร์เน็ตก็ดีเนี่ยดูภาพยนตร์ก็ดีหนูดูเพื่อเสพหรือดูเพื่อศึกษาดูเพื่อสนุกสนานหรือดูเพื่อศึกษาเนี่ยสนุกสนานก็เรียกเสพอย่างนี้ก็เรียกเป็นเหตุแห่งคนมีปัญญาน้อยเวลาเขามีการละเล่นกันเนี่ยดูเพื่อเสพหรือดูเพื่อศึกษาศึจริงหรือดูไปสนุกกับเขาเลยไหมเพลินกับเขาไหมหรือดูไปศึกษาไปพิจารณาอีที่มาเต้นกันอย่างเนี้ เอ๊ะทำไมคนคนนี้มามาแสดงและทำไมคนมันมาดูเยอะอย่างแต่ทำไมเราขึ้นไปแสดงทำไมไม่มีคนดูเลยมันเป็นเพราะอะไรเนาะมนุษย์ทำไมนนต่างกันอย่างเงี้ยเคยเคยเคยเค ย, เคยวิจัยแยกแยะแบบนี้ไหมเอางี้นะถ้าเอาหนูไปไ ป, ไ ป, ประกาศไปขึ้นประกาศประกาศในเมื่อนี่ติดป้ายประกาศเพื่อให้คนมาดูหนู กับเอาหมีแพนด้าไปอีกที่นึงถามว่าเขาจะไปดูใครมากกว่ากันพ่ออะไรทาไมหนูเป็นคนทําไมแพร่หมีพ่ออะไร <c oughs> พ่ออะไรอ่ะ <c oughs> พ่ออะไร <c oughs> หนูหนูรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงสนใจหมีมากกว่าหนูไม่รู้ครับไม่รู้ไม่ทราบรู้ปะไม่ทราบครับเนี่ยพ่อหนูไม่ได้ศึกษาไงถ้าหนูศึกษาหนูจะรู้เลยเหตุปัจจัยทําไมคนใช่ไหม เอาไปตั้งกงโชว์กันเลยเอาหนูไว้กองหนึ่งเอาเม็แพนด้าไว้กงหนึ่งแล้วก็แล้วก็เก็บบัตรผ่านประตู<น>เขาจะซื้อบัตรไปดูใครคิดว่าจะมีคนซื้อบัตรไปดูหนูไหมไม่ครับ <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันนะนะนะถ้าเอาดาราที่ดังเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถ เอามาไว้เวทีหนึ่งเอาหมีแพนด้าไว้เวทีหนึ่งใครจะชนะนาราดราชนะไอไหมมนุษย์ถ้าหนูศึกษาหนูก็จะได้รู้อ๋อมนุษย์เราเนี่ยเราจะสามารถทําให้เราไปที่สนใจก็ได้มันอยู่ที่ว่าเออเรามีเราได้ฝึกตัวเองเนพัฒนาตนเองมีจุดเด่นอย่างเขาไหมมีวิธีการอย่างเขาไหมแล้วก็มีวิธีการที่ดีกว่าเขาไม่เป็นต้นใช่ไหมอ่ะหนูวลาหนูไปเล่นเกมเนี่ย หนูไปเล่นเพื่อเสพเพือเล่นเพื่อศึกษาเสพครับ เ, <ล>เสพใช่ไหมแล้วหนูเคยสังเกตุไหมว่าไอคนที่ผลิตหรือคนที่เขียนเกมขึ้นมากับคนที่เล่นเกมเนี่ยใครรวยกว่ากันใครรวยกว่ากันคนที่เขาเขียนโปรแ <int> ปรกรมเกมขึ้นมากับคนที่ไปเสพเกมเล่นเกมใครรวยคนเขียนโปรแกรมเพราะอะไรทําไมมันทําไมมันถึงรวยรู้ไหมเพราะมันไม่คิดมันคิดว่ามันจะทำมาอย่างไงดี ที่จะมาทําให้พวกเราเนี่ยไปติดมันหรือไปไปเสพพวกมันใช่ไหมเขาคิดอะไรเขาคิดผลิตเขาไม่ได้คิดเสพนั้นหนูก็ต้องคิดได้นี่หนูก็เรียนรู้ได้นี่หนูก็แทนที่หนูจะเป็นผู้ที่เสพหนูก็ศึกษาเลยเรียนรู้ศึกษาคิดเป็นผู้ผลิตได้เลยใช่ไหมเนี่ยถามว่าสังคมไทยเป็นสังคม<ช>เป็นสังคมเสพหรือเป็นนเป็นนักเสพหรือเป็นนักผลิตสังคมไทยเนี่ย เป็นนักผลิตหรือเป็นนักเสพเนี่เสพใช่ไหมเห็นไหมเอาในประเทศไทยผลิตรถยนต์อะไรได้บ้างมีไหมคนไทยมีรถมีรถอีแตวนอย่างเดียวอ่เอาเนี่มีแค่นั้นแหละนอกนั้นโอ้โหเห็นไหมเนี่ยเราเสพเรานําเข้าหมดเลยใช่ไหม ก, ก็เหมือนกั น, กนเนี่ยเหมือนผ้าไหมเนี่ยได้มากเราเป็นผลิตหรือได้มากเราไปซื้อ เนี่ยไม่ได้มากเราไม่ค่อยไม่ค่อยสอนลูกหลานใี่เป็นนักผลิตแล้วสอนลูกหลานนี่เป็นผู้เสพอย่างเงี้ยมันเหตุแห่งความเป็นผู้ไม่มีปัญญาเข้าใจยังเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเพราะแท้จริงเนี่ยถ้าเราสอนเขาเนี่ยเขามีศักยภาพอีกเยอะเราสามารถจะจุดประเด็นให้เขาคิดเป็นนักคิดนักผลิตได้อีกเยอะมาก แต่รุ่นนิ่มกับเสียที่นอนฝุสันที่นอนหมอนมุ้งทำเอาแต่รุ่นนี้ทำไม่เป็นนี่เข้าใจอย่างว่าเหตุแห่งความมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาใช่เนีเราอยากจะเป็นคนไม่มีปัญญาก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ม, มีอะไรกินก็กินไปมีอะไรใช้ก็ใช้ไปเดี๋ยวก็ตายแล้วคิดอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนะั่าแล้เกิดมาเป็นลูกหลานของยอมจิ๋วไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวก็หาให้ได้ก็อยอมจิ๋วก็ให้ทานมาแบบ ไม่สลาขาดอยู่แล้วเดี๋ยวเขาเป็นปู่สอนปองทรัพยก็เดี๋ยวเก็บไว้ให้พวกเราสลาแล้วแล้วลูกชายของโตเทย่าเศรษฐีเป็นไงต่อครับหลัจงจากพอฟังเสร็จแล้วเนี่ยลูกชายเนี่ยได้บรรลุธรรมได้เป็นพระโสดาบันตอนนี้ยเขาไม่ต้องทําไม่ต้องไปจมในใบบุญโตเทย่าเศรษฐีแต่พ่อตกนรก โรคไปสุคติโรค ก, กลับมาเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเปลี่ยนระบบในบ้านใหม่หมดเปลี่ยนระบบในบ้านใหม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา น, นี่เป็น่าครับทำไมคนสมัยพระพุทธ้พระพุทธองค์ทำไมแต่รู้ได้ง่ายกว่าสมัยนี้ครับไม่ต่างกันคนสมัยมก่อนอาศัยอาศัยว่าหนึ่งพระพุทธเจ้ามีพลังด้วย ระสาวกที่เกิดในยุค น, น, นั้นก็เป็นคนที่มีพลังในการประกาศหลักการด้วยสองคนในยุคนั้นก็เป็นยุคที่ฝ่รู้ฝ่เรียนฝ่ศึกษาฝ่สร้างสรรค์ยไม่ใช่เป็นพวกนักเสพเลยเป็นคนที่มีความคือควนขวนขวายในการที่อยากจะพ้นพ้นจากปัญหาพ้นจากกองทุกข์เป็นคนไม่ใช่นักเสพแต่เป็นนักคิดเป็นนักคิดเป็นนัก ผลิตมากกว่าที่จะเป็นนักเสพ บ, บริโภค น, นคนในยุคนั้นเนี่ยต้องดิ้นรนต้องดิ้นรนต้องต่อสู้ที่สภาพสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสภาพสังคมที่ในน้ํามีปลาในานามีข้าว <c oughs> มันก็เลยอุตุมันก็สปายะอาหารมันก็สปายะพอมันเอื้อเบเสร็จก็เลยเฉยไม่กระตือรือร้นนั่นอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือว่าชาว คนไทยส่วนใหญ่ไม่ใช่เป็นพุทธแท้เป็นแค่พุทธเทียมเพราะเป็นพุทธเทียมก็เลยเพราะพุทธแท้ต้องเป็นนักศึกฝึกนักผลิตนักวิจัยแยกแยะใช่ไหมถ้าพุทธแท้ต้องเป็นเรื่องของปัญญาแต่ชาวไทยเราโดยมากไม่แสวงปัญญาไม่ชอบแสวงหาความรู้แต่ชอบแสดงความคิดเห็น <laughs> ไม่ชอบแสวงหาความรู้มันก็เลยกลายเป็นเป็นพุทธเทียมไม่ใช่พุทธแท้ ถ้าพูดแท้ไม่ใช่เป็นแบบนี้ถ้าพุดแท้แท้เนี่ยถ้าเป็นของแท้เนี่ยโอ้โหต้องต้องศึกษาวิจัยแยกแยะเป็นคนที่จะฝ่ายรู้ใยผลิตฝ่ายศึกษาฝ่ายสร้างสรรค์ฝ่ายฝึกฝนฝ่ายพัฒนาโอ้โหใย ไ, ไม่หยุดเลยเป็นนักคิดเป็นนักวิจัยแยกแยะนี่เป็นพูดแท้ถ้าพูดไม่แท้ก็อยู่เรื่อยๆเอือยไม่คอยคิดไม่คอยกระตือรือร้นรอะไรมีอะไรให้เสพก็เสพไปเสพติดไปสนุกสนานเพลิดเพลินไปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพูดเทียง พอเข้าใจยังงั้นเราก็ถ้าต้องการเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่ในครอบครัวเราใหมา่บอกเอ้ยเราเป็นพุทธนะแต่พุทธนี่ต้องศึกษาต้องเก่งต้องวิจัยต้องแยกแยะต้องเป็นนักผลิตต้องไม่ใช่เป็นนักเสกถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะกลายเป็นพุทธได้ทันทีพุทธมาพุทธท้าเป็นที่ของปัญญายังเข้าใจย่างตอนนี้่ต่อไปเป็นพุทธแท้แลยเนาะ ต่อไปหนูอยากจะไปฆ่าสัตว์จริงไหมฮะไปสิไม่เป็นไรนี่ <c oughs> เอางี้ก็ได้ทดลองกันอย่างงี้ก็ได้นะหนูเป็นพี่ใช่ไหม <c oughs> หนูก็ให้น้องเนี่ยเอเป็นน้องเองฆ่าสัตว์ฉันจะไม่ฆ่าสัตว์ <c oughs> แล้วคอยดูว่าใครจะมีคุณภาพชีวิตดีกว่ากัน <c oughs> ทดลองกันเลย <c oughs> เอาไหม <c oughs> เอาไหมครับ <c oughs> ลองเลย ลองทําตรงกันข้ามอย่างที่พรทธิย่าว่าอย่าเพิ่งเชื่อก่อนเลยทดสอบเลยให้มันป่วยเป็นมะเร็งก่อนทิ้งก็เชื่อเอาไหมไม่ไม่ไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะไม่เสี่ยงโอ้โหเนี่ยวันนี้รู้หลายอย่างเลยนะเนี่ยเหตุของความยากจนก็รู้เหตุของความร่ํารวยก็รู้นะเหตุของ เหตุแห่งความมีท e ร uh, er ัพย์มากมีทรัพย์น้อยเหตุแห่งความมีโรคภัยแค่เจ็บมากโรคภัยแค่เจ็บน้อยเหตุแห่งความอายุสั้นอายุยืนอยากมีโรคภัยแค่เจ็บมากก็เบียดเบียนสัตว์เยอะๆไม่อยากมีโรคภัยแค่เจ็บมากก็อย่าไปเบียดเบียนเออแต่ก่อนเนี่ยคนบางคนเนี่ยชอบไปหาจับสัตว์มาก็มารังแกเขาเนียเช่นเอากบมาเขียดมาไม่ค่าก็ระค่ะขาเขาไว้หักขาเขาไว้เออบางคนชอบอย่างนั้นนะ พอถึงตนเองโดนแล้วโอ้ง่อ้โหโอ้โหไม่ค่อยดีฟังทาแล้วบบนด้คือใสๆมั้งอ๋อเดียวเลยอยากไปไปไปอัฐภาพหน้าอยากจะไปเจอกันอีกมั้ย ย้ำๆหนวยรู้ไหมว่าสามีภรรยาเวลาเขาเกิดมาในอัตภาพนี้แล้วหวังจะไปเจอกันในอัตภาพต่อไปจะต้องทำยังไงรู้ไหมอยากอยากรู้ไหมอยากไปเจอกันอีกไหมในอัตภาพถัดไป อ, อยากเจอกันแต่ก็จะปเป็นสานะไหนก็ได้ คนบางคนถ้าปราถนาเนี่ยยอมสรลาวุธไม่ได้บอกฟังถ้าปราถนาจะไปเจอยอมจิวทุกชาติเนี่ยต้องทำยังไงมีวิธีด้วยนะผู้เจ้าบอกไปด้วยนะอาจาร์ซราวุธอยากเจอฉันอยู่แต่ว่าฉันไม่อยากเจอเพราะอะไรอยากให้เป็นพี่เป็นน้องกันไม่อยากเจอเพราะอะไร <c oughs> บอกพ่อยังกันอยู่นะม <c> น <oughs> อั น, นี้พูจิงงวะเนี่ยพจิง อ๋อไม่อยากไม่อยากไม่อยากมีครอบครัวแล้วจะไม่ในอาตภาพถัดไปไม่อยากไม่อยากมีไม่อยากโทษอาจารย์สารุตตายแล้วก็ไม่เอาไปไม่ใช่ไปชาติหน้าชาติหน้าอยากเจอกับอาจารย์สารุตไหมบซาเห็ดยังโบดบซาเห็ดยังเคยปาูปไปแค่หนึ่งแล้ว็บออยากเจอแต่กับคนอื่นน่ะคนอื่นกับโเจอกเาอีกเอา แล้วจะไปเป็นอะไรทั้งนั้นเน่เป็นธรรมดาสดๆบบมี้อยางนี้แหละจะเป็นว่าให้มีลูกมีเต้านั่นสิอยากจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเป็นผู้หิงอ๋ออยากเป็นผู้หญิงแต่ไม่อยากมีครอบครัวแต่ก็อยากมีครอบครัวถ้าจาได้ลูกก็ที่่เอาว่ให้มีลูกอ๋ออยากอยากจะอยู่เป็นโสดอันนี้เราเยัดหญิงในใจเรื่อย่างอ๋ออยากจะเป็นโสดเป็นโสดับทีที่นี่เามากเหมี่รยันาเย่าอ๋อแล้วจะมีลูกได้ไงต่อไป ขจะได้านสมมติว่าเดี๋ยวนี้เขาขึพวกเนียฉันจะม่ให้มีลูกเลยฉันจะอยู่ตัวคนเดียวท่านนาห์น่กันอย่าเป็นผู้หญิงคนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวก็ไม่มีบริวารเลยอยู่คนเดียวแกก็แก่อยู่คนเดียวนี่แหละอ๋อเขาไม่มีลูกไม่มีหลานพอผู้เดียวที่นักเข้าไปปวดเป็นยังไงแล้วก็วอ๋อยากจะเป็นแบบนี้แล้วก็วอ๋ออยากจะเป็นอยางไงนะโอ้ เพราะอะไรอ่ะเบื่อหรือบเบื่อยังอยากแบบนั้นมีความสุอได้าบริทดอ๋อไม่ต้องเหนื่อยเป็นภบนี้เดี๋ยวนี้ก็รแล้วกะบอห่วงไทุกวันนี้ขน้อยกรบห่วงไห่วงูห่วงัวขน้อยกรบห่วงแล้วห่วงใครบห่วงไขไปหาได้กับส้เจ้าของอห่วงตัวเองตัวเองกระบห่วงที่ตาย่กระบอเสียใจีกอ๋อ แต่ก่อนี้ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงยอมหนุยว่ะห่วงอันนี้อันนี้พูดริษัจริงคนกรุงเทพยุหักคุณหนุ่ยนับถือคุณหนุ่ยคนเดียวอ๋อแล้วยอมมีก็ไม่นับถือเดยวอันนี้เจอกันมาดุรลวนะอันนี้จะนับถือเพิ่นอ๋อแต่น้อยกว่าเออบคุหนุ่ยหวคุณหนุ่ยคือเพิ่นห่วงอะไรยอมหนุ่ยก็จเป็นอยังในใจไใจ่าย ไปหว่วงอะไรก็มีลูกอยู่อันนัวว้นกับครละส่วนแต่เราพอได้ห่วงแบบที่เราคนนได้คนกันมีความซู้ของ ค, คือว่าง้าได้อีกย่างเช่นกับอยากขห้ขวงคุณได้ง้างาง้าคนหนึ่ป็นร้านคุณได้ลดได้อีกย่งถ้าของสิ่งที่ว่าไปขายให้ร้านที่ได้คุณสะบก ข, ขายร้านคุณยกตัวอย่างผ้าไหมจึงตั้งเชื่อไหมนีโกโกเบขายคุณร้านนี้ซื้อร้อยเช้าร้านอื่นซื้อร้อยแปดสิบโกโบขายอันนี้ความจริงเลยหลวงพ่อวันนี้พูดเล่นบันน้โอหลวงพ่อได้เ สามพวกนี้เลยเนี่ยฟ้องดีทีิอยู่ด้านนี้อันอื่นสร้างหัวมันได้เกี่ยวกนนี้อันนี้ก็เป็นชั้นทากติทีคือชั้นทากติคือว่าคืออันนี้เรียกมีอาการคติคือคือลาเอียงเพราะล้าัวป่วยก็ได้ห่งิคนนี้เราบอกหน่ยัวป่วยกบ่าได้ห่วงห่องก็บห้วงธรรมดาคือว่าเข้ให้สิงทีดีแล้วเข้าคารุ่หัวเข้าไว้นอกใจญ่หัว ผัวเก็บผัวเปินเข้ากับดูแลรักษาบนระฆังราระเลยนาทีของเมียคือทําให้กินมือาหารการกินก็ทํำให้กินแล้วคก็จุ๊บแต่ว่าไ่ได้ห่วงไผไม่มีอะไรหรอกขนาดนั้นแต่ว่าเรามันเจอกันในช่วงเวลาที่เขาต้องมาทีเลี้ยงลูกอะไรต่างๆใช้เงินใช้อะไรก็มาค้าขายกันแล้วก็เขาก็ได้เอาไปส่งลูกเลี้ยงส่งอะไรชีวิตอีกขึ้นก็เลยแบบในช่วงจังหวะที่เจอกันเนี่ยและเลิกถึงบุญคุณ มีอย่างอื่นแต่คือเคืออย่างเจอคุณโนใช่เป็นกรสีสอนเขาวทําอย่างนั้นนะคิวทําอย่างนั้นนีแล้วเอามาปฏิบัติใช่มันก็คือค่วมพื้นบ้านใชนาการนับถือพื้นการหักคือหักแม่หักพ่อโยโค่ยี่เลยคือก็ว่าได้เป็นลกวนนี่ยงเพื้นดกแต่ว่าก็คือค่วมนับถือคือค่วมหักแข่งกันนี่แหละมันก็เรียกสถานที่ไม่ได้นะเขาพูดอย่างนี้นะในทางพูทศาสนาเขาบอกว่าเออคนเราเนี่ย บางทีในการที่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยเขาเรียกว่าเออมันมีมีคาศศําภาษิตโบราณก่อนนะบอกว่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่มีความไม่มีถึงเป็นญาติถึงเป็นเชื้อแต่ไม่มีความเอื้อเฟื้อมันเหมือนเนื้อในป่าไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อแต่มีความเอื้อเฟื้อเหมือนเนื้ออัตมาเข้าใจคำนี้ไหม เขาเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจครัคนบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นญาติกันหรอกแต่มันมีความเมอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันถ้า<ม>ได้กินอะไรอาหารอร่อยๆเนี่ยขึ้นหอดคุณเลยซึ่งคนกับวุฒิโบราณ ห, อ, ากหอกแต่ว่าอยากให้เพื่นได้กินอช่ของสดๆนี่ก็หิ้วไปปกติได้กินนี่ซิบวิหิ้วเนี่ยไปพูดอะไรกินเลยอันนี้กิวซิหิ้วไปโซ่ซิคัดอย่างที่แล้วอาจารย์จะอธิบายฝังโอพอลเลยคือ คือความเป็นคนบางคนเนี่ยเมื่อมันมีสองกรณีนะคนเราที่มันรักกันเนี่ยหนึ่งเหตุในอดีตเคยเกื้อกูลกันมาเคยสร้างเหตุปัจจัยกันมาสองเหตุในปัจจุบันมาเกื้อกูลกันในปัจจุบันก็เป็นเหตุทำให้มนุษย์รักกันได้เนี่ยบางคนที่มันจะรักกันนี่มีเหตุสองประการคนบางคนเนี่ยมีเหตุเดียว คือเกื้อกูลในปัจจุบันถ้าถ้าเกื้อกูลในปัจจุบันเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยผูกพันกันมากเท่าไหร่เพราะมันได้แค่เหตุเดียวแต่ถ้าได้สองเหตุนะทั้งเหตุในอดีตเคยเกื้อกูลเหตุในปัจจุบันเกื้อกูลกันเข้าอีกโอ้โหอย่างเงี้ยจากกันไม่ค่อยได้เลยจะมีความผูกพันกันกันเยอะฉะนั้นเห็นไหมถ้าใครได้สองเหตุมาเนี่ยมาเจอกันมันก็จะผูกพันกัน่อนเยอะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องการชี้เห็นว่าบางคนเป็นญาติกันนะเป็นญาติกันก็จริงแต่ขาดความเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เหมือนคนอื่นก็เหมือนคนอื่นแต่บางคนไม่ใช่ญาติหรอกแต่เพราะความเกือกูลกันทั้งนียไปมาสู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันเหมือนกับญาติยิ่งกว่าญาติใช่มมันยิ่งกว่าญาติมันเป็นแบบนั้นไอ้กรุงเทพนี ยังกรุงเทพอยูไปแว่จูมันไ้กิวต้องไปที่อื่นเลยซึ่งซึ่งไม่ได้เห็นหน้าคุณเมื่อกิวก็ไปไปออฟฟิศตัวนะพอไปเสร็จแล้วไปเข้าห้องน้ําแล้วกิวก็ขึ้นแท็กซี่ไปที่อื่นก็ไปต <c oughs> <c oughs> ้นเปลี่ยนที่ยังคุ้นบีถ้าไม่ไปกรุงเทพพอถึงที่นั่นขึ้นกิวไปได้ถึงกรุงเทพอ๋อเจ็ดมันผูกแล้วไงไปห้องอะไรก็ไปที่อื่นเลือกที่เห็นหน้ากันแบบนี้ บางทีก็ไปยิ้มไปหัวไปพูดเล่นพูดหัวกันเดี๋นี้นี้ก็มีโทรศัพท์แล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้ไปเห็นหน้ากันไปหัว่วนกันแล้วก็มาไปเป็นที่อ้างหรือเปล่ามาอันนี้อบก่อนเพขาบอกเ้าบอกสามีเขาจะมาหาดูเขาจะมแวะสัหน่อยเถอะแล้วเขาก็จะไ ไปงไงไปไดีๆไหวมือสักก่อนต้องไปให้คุ้มมือสักก่อนพเไปวลาไปเวลไปนั่งรถอะไรไปการเร่แต่ลังเทก็คือรถแท็็คร็กซไม่ใช่ไปอย่างนี้ไปนีไ้ใส่ไปคนเดียวไปขึ้นขึ้นรถทัวร์ขึ้นเครื่องบินอ๋อใหญ่ก็ขึ้นเเครืงตอนนี้มาจอ นั่นแหละก็เรียกว่ามันเคยเกือ้อกูลกันมาเป็นนักหลวงพ่อพ่อคุณป่วยยังกังขึ้นจือฝันได้กินก็ได้ไปลุงพยามารพ่อคุณหนยอีนั่นแหะแล้วคุณคุณโน้ป่วยเนี่ยอยูก็ไปอืู่ก็ฝันและอยู่ก็ไปเลยมันเป็นเี้ยอย่างมันคุณพ่อคุณหนูอเออจนมาได้เป็น ล, ะนะลโนโุงท่านบาชันนี่เป็นเงี้ยกับคุณหนู ดีแต่ซาติที่เพื่อนเคยล่านเปิดเพชรพวกคิ้วเลืไปหาให้เพื่อนขายคิ <ör> ้วเนี่ยเป็นลงทำก็<ช>เป็นอะไ ร, รอยูถ่ถึง้งทึ้งพวกจักพ้นคุณี่ไปลงที่วัดอรวงปูฟันผู้นั้นเพื่อนก็เลยว่าสมัยกวนนะเพื่อนนี้เป็ น, น, เ, ปนเป็นเจ้านายคิ้วคนี่ไปรับไส้เพื่อนเพื่อนเปิดล่านขายเพชรสมัยกวนนะ<อ><อ>แล้วไปรับไส้เพื่อนแล้วไปอยู่น้ำละไส้เพื่อนก็เลยพวกจักกันมาแต่ซาตบังกวนนะซาตบัเลยเลยพวกจักเพื่อนมาซานบัง เคยได้หับไส้จิี่นะเคยับ้อ๋อมีคนพูดมาอย่างนั้นอันนี้คนน่งทำเลยอาจารย์ไงคุณหลวงพ่คุณได้าปีุหแวหงพ่อหนุจะตื่นอนสวันไปน้าใไหมยมนอนบ้านไหนนอนน้ากันก็พี่อยดแล้วันนีไปเรียน แล้วโรงเรียนปิดช่วงไหนยาหนังเติมอปิดเรียนนี่เลยอยากเรียนเก่งไหมปกตีไปเรียนพิเศษที่ไหนเรียนโรงเรียนวัดต่กอนนะอยากอยากเรียนเก่งไห้ยอมอยากให้เรียนเก่งไหมอยากให้เรียนเก่งให้พติวให้เดือนครึ่งเอาไ้ไปปวดนพ่ม่บหก ประมาณเดือนครึ่งเนี่ยพระจะแน่วิธีเนเกง้เด่นเล่นลงเล่นบบนี้นเรอจัม่านจับกับมประมาณเดือนครึ่งปะาเด่นเก่งไหบ้านนี้เล่นเก่งไห่ีใสทไป่หจะใช้เปเดียวย่านโดจะให้จะให้พระที่เขาเก่งๆตีลให้เดือนครึ่งเนี่ย จะจะจะไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ตั้ง <land> ัดเอาหมูเพิ่ก็ซืมาหาเทาอยู่เนาะเก็บ